6. สุราปานวกแ์ 8. ทุพพนรณะกรณาสิกขาบทว่าด้วยการทำจีวรใหม่ให้เสียสีเรื่องภิกษุหลายรูป 367. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุและปริภาชกจำนวนมากต่างเดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปกรุงสาวัตถี ระหว่างทางโจรทั้งหลายออกมาปล้นพวกเจ้าหน้าที่ในกรุงสาวัตถีจับโจรเหล่านั้นได้พร้อมของกลางจึงส่งข่าวถึงภิกษุทั้งหลายว่านิมนต์พระคุณเจ้ามาเถิดถ้าจําได้นิมนต์รับเอาจีวรของตนของต น, งตนคืนไปภิกษุทั้งหลายจําจีวรของตนไม่ได้คนทั้งหลายจึงตาหนิประนามพล น, นาว่าฉนัยพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงจาจีวรของตนไม่ได้เล่า พิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประนามโผนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ